สวัสดีท่านฟังที่เคารพค่ะยินดีต้อนรับสุ่ราการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตจากวัดบวรนิเวศวิหารคะ่ะธรรมสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเจรัญพรค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากดิฉันติดภารกิจไปปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมมาแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะต้องบอกว่าเวทีจริงกับสนามซ้อมนี่ต่างกันมากเจ้าคะ่ะอืมเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่วัด ป่าดอนไหโศกที่อุดรธานีเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศดีมากฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสบายที่วัดมีต้นไม้เยอะแล้วอยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมซึ่งเราต้องทำอะไรเป็นเป็นระเบียบเป็นทำอะไรเหมือ น, อนกันแล้วก็เป็ร น, ะนระเบีย บ, บ, บมีกฎระเบียบทำตามกฎระเบียบแรกๆ ก, ก็คงจะอึดอัดสำหรับผู้ใหม่คือคนใหม่แต่ว่า ตัวเองเนี่ยก็ไปมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกคุ้นชินแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปไปที่นั่นได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปอยู่ในกฎระเบียบนั้นก็ก็ชอบมากๆแล้วก็ใจสบายมากเจ้าค่ะอืกฎกฎระเบียบที่มันมันตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพื่ออะไรหรอกก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินะที่ว่าถ้าเราทําตามกฎระเบียบนี้สิ่งที่เป็นอนิสง์ของการที่เราทําตามกฎระเบียบก็คือเราก็ ลดสิ่งที่มันมากวนใจเราแล้วเราก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมไปได้อย่างที่ว่าเข้มข้นรักษาจิตของเราให้มันไม่ออกไปรับอารมณ์ทําให้ใจไม่สงบเนี่ยแล้วก็ทำํทำตามกฎระเบียบตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้มากทําให้เราเนี่ยไม่มีตัวกวนเราก็มีสติที่อยู่กับการปฏิบัติธรรมการดูลมหายใจเนี่ยได้เข้มข้นผลที่ได้คือความสงบใจนี่แหละความสงบ เป็นผลที่มันปรากฏขึ้นในใจเราทีนี้ความสงบที่มันปรากฏผลขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นเบื้องต้นแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านพานั่งสมาธิเทศให้ฟังแล้วก็เกิดความปล่อยวางทางจิตใจได้เนี่ยโอ้นี่มันเป็นผลที่หาซื้อไม่ได้ความสบายใจที่ได้จากการปล่อยวางเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยเราต้องทาของเราเองเนี่แหละถ้าเราไม่ ไม่มีที่ที่จะเข้ามาปฏิบตัติแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยโว้ใหเรางมเองเนี่ยทั้งชีวิตก็ไม่มีทางงมเจอนะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะเจ้าค่ะใช่สิ่งที่เราไขวยคว้ากันก็คือความสุขนี่แหละความสุขที่เราได้จากการกินการนอนการเที่ยวเล่นเนี่ยเราก็ทำกันมาตลอดชีวิตแล้วล่ะตั้งแต่เด็กใครอายุเท่าไหร่ก็ทำมาถึงตอนนั้นแหละ แต่ทีนี้ถ้าใครไม่ได้ลองไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ลองที่ปฏิบัติจนเกิดความสงบที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ได้ลองปฏิบัติให้ความสงบที่เกิดขึ้นพินาจนถึงความปล่อยวางได้เนี่ยโอ้หเราจะรู้ว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยความสุขที่ได้จากการกินการนอนการเที่ยวการเล่นการอยู่กับคนรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางสู้ความสุข ที่เกิดจากความสุขสงบที่ได้จากการปล่อยวางอันนี้ไปได้เลยไปในคราวนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเห็นคนคนแก่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ไม่เคยไปปฏิบตัติแล้วก็ได้ไปปฏิบตัติคงได้ความสงบใจกลับไปก็ร้องห่มร้องไห้โดยด้วยความเปลื้มปิติะนะเจ้าคะ่ะ แล้วเขาก็เข้ามากอดเราเงี้ยเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าดีใจไปกับเขาด้วยที่เขาได้ได้ธรรมะ ก, กลับไปได้ความสบายใจกลับไปแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่พาไปแรกๆ ก, ก็คงอึอดอัดเพราะว่าเราก็เคยผ่านครั้งแรกซึ่งอึดอัดมากเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดวาจาเราต้องใช้การพูดเราต้องเราต้องคุยกับคนนี้คนนี้ตลอดเวลาแต่แบบไม่ให้เราพูดเลยนี่อึดอัดมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อผ่านคอร์สไปได้78วัน ก็รู้สึกว่าโอ้การไม่ได้พูดนี่มันดีเหมือนกันนะมันส่วนใหญ่เนี่ยคนเราพูดเนี่ยมันก็ถ้าตามปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเราพูดไปเนี่ยด้วยอํานาจเขาเรียกว่ามันมีตัวควบคุมจิตใจเราอยู่นะก็คือนายนายของใจเราเนี่ยควบคุมให้ใจเราพูดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไปซึ่งนายนายของเราในตอนนี้เนี่ยนายหัวใจเราตอนนี้ก็คือกิเลสนี่แหละเพราะฉะนั้นพูดไปเนี่ย หน้าที่ของกิเลสก็คือเป็นไปเพื่อความไม่สงบของใจเป็นไปเพื่อความอยากความทยันอยากให้ใจมันทยันอยากมากขึ้นไม่มีอิ่มไม่มีพอนะเพราะฉะนั้นการที่เรางดพูดกันแล้วเราก็มาทำความสงบโดยการที่เรามาดูลมหายใจให้มันเกิดขึ้นความสงบเนี่ยโอ้ยมันจะดีมากทำให้เรารู้ว่าการที่เราไม่ได้พูดในสิ่งที่มันเป็นมิจฉาวาจาการที่เราไม่ได้คิด ที่มันเป็นมิจฉ า, าสังกัปปะอย่างนี้เป็นต้นเรามาพูดในเป็นสัมมาวาจาระพูดเป็นและเราคิดก็เป็นสัมมารกรรมตะสัมมาสังกปะเหล่านี้นี่โอ้ยมันเป็นไปเพื่อความละเอียดประณีตของใจเป็นไปเพื่อความสบายใจจริงๆได้ฝึกความปล่อยวางมากๆเลยนะเจ้าคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอหลังจากที่ อ, ออกจากคอร์สมาแล้วเนี่ย ก็มาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคอสเตือนก ร, รกฎาคม 20-28 ถึงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะไปประมาณ42คนแล้วก็เขาบอกว่าหลายคนก็บอกว่าดีจังเลยคือไม่เคยรู้สึกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากขนาดนี้เพราะว่าโทรศัพท์ก็เก็บสตางค์ก็เก็บเครื่องเพชรของมีค่าทั้งหลายเขาก็เก็บเข้าเซฟให้หมดเราก็ เดินตัวเปล่าตัวปลวไปไม่ต้องห่วงว่าเออฉันจะเล่นไลน์นู่นนี่นั่นฉันจะต้องคุยโทรศัพท์ฉันจะต้องรับสายจะต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรคือไม่ต้องห่วงอะไรเลยเงินก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหายให้มีคนเก็บให้แม้ชีวิตที่มันไม่ไม่มีอะไรเลยนี่มันก็มีความสุขมากนะเจ้าคะมันต้องฝึกแบบนี้บ้างอนะมันจะได้เห็นว่าโลกอีกแบบหนึ่งเนี่ยโลกที่เป็นโลกของธรรมะเนี่ย มันดีจริงๆการที่เรามีโลกที่เป็นไปตามกิเลสเนี่ยเราก็อยู่กันมาแล้วแล้วการที่เราได้ลองเข้ามาอยู่ในโลกของการปฏิบัติธรรมโอ้ยเราจะนี่แหละเห็นความแตกต่างว่ามันมีความสุขที่มันละเอียดประณีตต่างกันมากจริงแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสนามซ้อมนะเป็นสนามซ้อมเราก็ต้องออฝึกซ้อมให้ดีเรามีเวลา แปดวันเก้าวันเนี่ยอ่าไม่นับวันไปไม่นับวันกลับเนี่ยก็เหลยอแค่เจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยมันมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่บางคนใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกโอ้ยมันยาวจริงมากแต่ถ้าเราเราคิดคิดดูว่าการที่เราเจ็ดวันอย่างเข้มข้นเนี่ยกับระยะเวลาทั้งชีวิตของเราเนี่ยที่ว่าเกิดมาแล้วเราไม่ได้เคยรับรู้ความสงบทั้งนั้นจิตใจเลเี่ย ไม่ได้รับรู้ความสงบของการปล่อยวางของใจเลยเนี่ยโอหเจ็ดวนันนี้มันคุ้มค่าจริงนะากับการที่เราได้มารู้ตรงนี้ทำเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มค่าจริงเพราะว่าทั้งชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติทำไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็จะหาความสุขในแบบเดิมๆตามรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ส่วนมากเนี่ยมันก็ทำให้เราหาในแบบที่ มีความทุกข์อยู่แฝงไปด้วยความทุกข์อยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะหาความสุขได้อย่างที่ เ, เรียกว่าไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เจ้าค่ะ อ, อยากให้พระอาจารย์แนะนำํสำสําหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นคนใหม่นะเจ้าคะเพราะว่าอยู่ในสนามซ้อมกับในสนามจริงเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยตัวโยมเองเนี่ยหลังจากออกมาจากคอร์สเนี่ยก็รู้ว่าเจอนน่นเจอนี่คือเรียกว่าเจอผัสสะ เหมือนกับเยอะมากขึ้นยังไงไม่ทราบแล้วแล้วคนที่เขาไปครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยปฏิบัติมาเลยไปปฏิบัติเป็นครั้งแรกไปเจอความสงบในสนามซ้อมมาแล้วเนี่ยพอมาเจอสนามจริงเราจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรให้ให้เรารักษาความสงบในใจตอนที่เราอยู่ที่วัดอ่ะให้คงอยู่ไว้ได้นานที่สุดนะเจ้าคะฟังเทศหลวงตามหาบัวนะท่านจะบอกว่ามันเหมือนหลังหมีอ่ะ หลังหมีมันดํานะเพราะฉะนั้นมันจะเติมสิ่งสกปรกอะไรเนี่ยมันจะดําเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ม<อ>ไม่เคยรู้หรอกใช่แต่การที่ใจเราเนี่ยได้สงบลงแล้วเนี่ยได้รับรู้ว่าความสบายมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจากการสงบระงับทางอานิวรณ์ต่างๆเนี่ยที่มันสงบระงับลงไปเนี่ยหัวใจเรามีความสุขมากเพราะนั้นเราเห็นความสุขอีกประเภทหนึ่งที่มันละเอียดประณีตเนี่ยเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งแล้วว่าเออ ไอ้ความวุ่นวายเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยที่เราคิดว่ามันวุ่นวายแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบกับไอ้ความสุขที่เราได้ตรงนี้เนี่ยมันวุ่นวายจริงๆมันวุ่นวายจนขนาดที่เราคิดว่าโอ้เราทนมาได้ยังไงจนถึงป่านนี้นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณสมบัติที่เราจะต้องคิดไว้เสมอเตือนตัวเองเอาไว้เสมอคือเราต้องเป็นผู้กล้าหารกล้าหารที่เราจะ เผชิญกับความทุกข์ได้หมายความว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีเท่าเดิมนั่นแหละแต่พอเหมือนหลังหมีนะหมีที่ว่าหลังมันดําเนี่ยถ้าหลังมันขาวเนี่ยโอ้ยสกปรกนิดหนึ่งเราก็มองเห็นนะอันนี้ก็เหมือนกันเราได้รับความสบายใจแล้วใจเราละเอียดประนีตขึ้นบ้างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันโอ้ยที่เราผ่านมาเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันมากขึ้นด้วยซ้ํา ใช่จ้าค<ๆ>่ะเอจริงๆแล้วมันไม่ได้มากขึ้นหรอกมันก็เท่าเดิมเพีงเยงแต่ว่าเราเหมือนมืนตอนนั้นเราอาจจะสายตาสั้นเห็นอะไรก็เบลอๆแต่เรามีแว่นตาดีๆแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นนะนะมันก็ทําให้เราโอ้โหลุกสึกตื่นเต้นว่าโอ้ยมันมันเยอะแล้วเราจะแก้มันหมดได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเราเนี่ยจะต้องทําให้เราเป็นผู้กล้าหาญกว่ากล้าหาญที่จะเผชิญกับมันนะนะไม่กลัวเพราะว่าเรา ไปปฏิบัติธรรมนี่เราได้หลักมาแล้วนี่เราก็เอาหลักมาใช้สิหลักมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกแค่แค่ว่าเราเนี่ยมีสติแล้วก็เอาสติเราเนี่ยมาไว้ที่ลมหายใจแล้วก็เอาสติเนี่ยคุ้มครองใจเราเอาสติที่มันอยู่ตรงนี้ตั้งมั่นจนเป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยคุ้มครองใจเราเพราะนั้นไม่ว่าเราจะมีเรื่องที่มันผ่านมาทางตาผ่านมาทางหูหรือ อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาติดเกราะของสมาธิเราเนี่แหละคือการที่ใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นเกราะคุ้มครองเราเบื้องต้นก่อนให้อ่าไม่ว่าเราจะกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ยังไงเนี่ยมันก็จะไม่กระเทือนจิตใจเราเพราะว่าใจเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของความสงบที่เราทำให้มันเกิดขึ้นตั้งขึ้นอยู่ทีนี้พอเรามีสมาธิ ที่มันตั้งมั่นดีเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นกระทบอารมณ์น้อยใหญ่แล้วก็พอสู้พอไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเราก็กระทบอยู่นั่นแหละกระทบอยู่อย่างนั้นแหละแล้วสมาธิเราก็ไม่ใช่ว่าวันนี้มันจะดีตลอดทั้งวันหรือวันนี้ดีตลอดทั้งวันก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีตลอดทั้งวัน มันก็มีขึ้นมีลงบ้างตามเหตุปัจจัยของการเข้าสมาธิของเรามันก็ทําให้เห็นว่าโอ้จิตใจเราเนี่ยนะมันก็โดนกระทบได้ตอนที่สมาธิเราเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วเราจะทํำยังไงล่ะล้วก็คนมีปัญญามันก็ต้องหาทางออกนะเพราะเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้แล้วอะไรเป็นเหตุเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยของการเข้าสมาธิไม่ได้ เราอาจจะเข้าสมาธิแล้วดีแล้วแล้วเราก็หลงระเริงในสมาธิของเราก็มีหลงระเริงก็คือโอ้ยฉันจิตใจสงบดีแล้วอะไรเงี้ยฉันทำได้แล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยเหตุของความสงบไปหมายความว่าเราก็ไปยินดีพอใจในอาการสงบที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เอาสติของเราเนี่ยไปไว้ที่ลมเหมือนเดิมแล้วไม่ได้เอาสติเนี่ยมาอยู่ในฐานที่ มันควรจะอยู่เพื่อทําให้ความสงบเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ได้เรื่อยๆพูดง่ายๆคือพอมันดีแล้วเราก็เผือเรอนะเหมือนคนที่ว่าถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะลอตเตอรี่แล้วเราก็เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่ก็ไม่ถูกถูกลอตเตอรี่แล้วถ้าคนไม่ประมาทเนี่ยเขาก็ต้องยังทางานเหมือนเดิมทํางานอย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ใช้จ่ายอย่างาสมเหตุสมผลเหมือนกัน เรามีสมาธิที่ดีแล้วเนี่ยมีความสงบของใจที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เหตุอะไรที่ควเราเราควรเลี่ยงเราก็ควรเลี่ยงเหมือนเดิมเหตุอะไรที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วเราต้องเผชิญเนี่ยเราเอาตอนนี้ไปสู้กันแล้วมันก็จะได้เห็นน่ะว่าเอออะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุข อ, อหของความที่ใจเราจะสงบมันคงได้มันก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้ความเห็นไป แล้วพอเราเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยแล้วเราก็จึงจะปล่อยวางมันได้ดเจ้ค่หลวงพ่อก็สอนว่าต้องให้เข้าสมาธิบ่อยๆแต่ว่าหลายคนก็คงจะบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าแบบเหนื่อยมั่งจากการทำงานอะไรก็ตามก็ก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิทุกวันจริงๆสัก หนาที10นาทีก็หลวงพ่อบอกว่าก็ก็ดีกว่าไม่ได้นั่งเลยนะแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งเลยมันมีวิธีก็คือเราต้องอยู่กับลมให้ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะ่ะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็กลับมาดูลมยอมเคยลองทําดูในในในอารมณ์ที่มีสิ่งกระทบเรื่องความโกรธอพอเรากลับมาดูลมมันก็หายนะ หมายถึงว่าไม่รู้มันหายไปไหมแต่ว่ามันรู้สึกว่าความโกรธมันน้อยลงเพราะเหมือนเราลืมเรื่องนั้นไปแล้วเราก็มาอยู่กับลมแทนจิตใจคนเราเนี่ยมันทําหน้าที่ทีละอย่างถ้ามันรับอารมณ์ของความสงบได้แล้วมันยังตั้งมั่นอยู่ได้นะเจ้าค่ะแล้วมันจะมีอารมณ์อื่นมาแทรกแต่มันแทรกไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าความสงบมันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดตัวนั้นมันแทรกเข้ามาได้ความโกรธเป็นต้นเราก็จะโกรธสลับกับการที่เรามีสมาธิ ใช่เจ้าค่ะมันน้อยลงอ่ะโกรดน้อยลงนะจ้าค่ะทีนี้ระดับความเข้มข้นเนี่ยมันก็ต่างกันการที่ว่าเราอสมาธิมันก็เหมือนเสื้อกรเราวนะซื้อกรเราเนี่ยมันอาจจะอป้องกันได้ไอ้ปืนพกธรรมดานะแต่มันอาจจะป้องกันปืนเอ็มสิบหกไม่ได้เพราะมันมันมันบางบางมันอาจจะไม่แข็งแรงเพื่อที่จะ รับลูกกระสุนของเอ็นซพกเพราะฉะนั้นสมาธิเราก็เหมือนกรอบไอเสกรอะนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ากาลังสมาธิเราเนี่ยดอีอ่ามันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยถึงแม้จะโดนกระสุนคือภัสสะมาจากภายนอกเนี่ยทางความโกรธก็ดีทางความรักก็ดีหรือว่าทางความความอยากก็ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแทงทะลุอารมณ์ของความสงบของเราเข้ามาถึงจิตใจเราได้ ดังนั้นเราต้องทําความสงบตัวนี้แหละเพื่อป้องกันจิตใจเราก็เหมือนเนื้อตัวเราเนี่แหละให้ให้ให้มันปลอดภัยเข้าไว้ไม่มีบาดแผลไม่มีรอยข่วนจากการที่อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามากระทบจิตใจเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีกําลังสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนเราใส่ซสืกรอกแต่ถ้าวันใดเราไม่ได้เข้าสมาธินะเราไม่ได้ดูลมหายใจนะก็เหมือนเราถอดเสืกรอกเราถอดเสื้กลอกออกเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่มันกระทบเข้ามาเนี่ยก็เต็มที่เลย สวยอารมณ์โกรธก็สวยอย่างเต็มที่มีร้อยก็สวยร้อยแต่ถ้าเราใส่เสื้อกะ อ, อาถึงมันจะบางแต่เขายิงมาหนึ่งร้อยเนี่ยผลที่ได้มาอาจจะเหลือสักยี่สิบาจเจ็บมันกันแต่บาดเจ็บแค่ยี่สิบน้อยๆน่อ ย, อ ย, อยเพราะฉะนั้นการที่เรามีสมาธิเราดูลมได้อย่างเรื่อยเรเนี่ยมันจะทำให้อ่าชีวิตเราเนี่ยความทุกข์ก็มีผลกับใจเราน้อยลงน้อยลง แต่ทีนี้เราเราจะทํำยังไงล่ะต้องเฉพาะเช้าเย็นเหรอมันไม่ใช่นะเพราะศัตรูเราเนี่ยมันอยู่ตลอดทั้งวันตั้งแต่เราลืมตาจนเข้านอนเ่ยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อศัตรูเรามันมีอยู่ทั้งวันเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้ได้ทั้งวันเหมือนกันแต่บางคนก็บอกโอ้ยทั้งวันมันจะมีเวลาทำได้ไงแค่หาอยู่หากินนี่ก็แย่แล้วอ้าวเพราะฉะนั้นเราลองนึกดูนะเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ย เรอ่านหนังสือแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยใจเราอยู่กับหนังสือถึงยี่สิบนาทีไหมล่ะไม่ถึงนะถึงหรอกมันก็แวบ ไ, ไปคิดเรื่องนู่นแวบไปคิดเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะสมมติต่างว่าสมมติสัดส่วนอาจสักห้าสิบห้าสิบอ่ะเราอยู่กับการงานที่เราต้องการทำห้าสิบแล้วมันก็เผลอไปนู่นนี่อีกห้าสิบเราเก็บไอเ้เผลอเนี่ยนู่นนี่ห้าสิบเนี่ยเอามาไว้ที่ลมซะนี่แหละแล้วเราจะได้ว่าใส่เสื้กรอกอยู่ตลอดเวลา การที่เรามีสติในการงานเนี่ยแล้วเราไม่ปล่อยให้มันเผลเออกไปทางความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันจะจอนเข้ามาเนี่ยเราเอาความคิดเล็กๆน้อยๆที่มันจะจอนเข้ามาเนี่ยนะปล่อยไปแล้วเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจของเร า, เราแล้วเราก็ทำการงานไปได้เขาเรียกว่ามีสติในการงานถ้าภาษาธรรมะก็เรียกว่ามีสติในอริยบทนะนะอริยบทบับพะอยู่ในหัวข้อของการามีสติ ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราก็มีสติได้ทุกเมื่อแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โหแล้วเราจะดูได้ตลอดทั้งวันเหรอก็ต้อ ง, ต, องต้องพยายามนะต้องฝึกนะเพราะว่ามันไม่มีวันที่เราจ ะ, ะสมมติถ้าเราอยากว่ายน้ําเนี่ยคนเพิ่งว่ายน้ําเป็นไปไว่ายทีนึงร้อยเมตรทำไปไม่ได้หรอกนะันน้องค่อยฝึกทีละยี่สิบห้า อาชนาญแล้วเราไม่ค่อยเหนื่อยมากกับไป50เพราะฉะนั้นดูลมหายใจก็เหมือนกันตราบใดที่ขอให้เรามีความพยายามที่จะดูสะอันนั้นมันจึงจะไปได้แต่ถ้าเราไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติธรรมมันก็ไปในแบบเดิมๆถึงแม้ว่าเราจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้ผลดีกลับมายังไงแต่กลับมาแล้วเราก็ยังปล่อยให้มันเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆแน่นอนว่าทุกในแบบเดิมๆ ม, มันก็ไม่ลดลง ทุกในแบบเดิมๆมันก็มีแบบเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าพูง่ายๆคือเราก็ยังมีเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เราทําเหมือนเดิมเราไม่ได้ทําเหตุปัจจัยของความที่ทุกข์มันจะลดน้อยลงเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะฉะนั้นขอแค่มีสตินี่แหละการงานแบบเดิมเราก็ทําไปแต่ขอให้ว่าจิตที่มันจะเผลอเนี่ยกลับเข้ามาดูลมหายใ จ, จคุ้มครองใจเอาไว้ด้วยลมหายใจเราเนี่แหละก็ต้องพยายาม ตัวยมเองก็พยายามอยู่กับลมหายใจได้ได้มากขึ้นก็คือฝึกอยู่ทุกวี่ทุกวันนะเจ้คาค่ะท่นี้เนี่ยหลายๆคนที่ผ่านเวทีสนามซ้อมก็คือคอร์สปฏิบัติธรรมที่ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะนะเจ้คาค่ะก็คืออยากอยากจะถามพระอาจารย์เรื่องหนึง่งหลายๆคนก็คงจะเป็ น, นเหมือนที่ยมเป็นตอนที่ว่าเรากลับมาทํางานเนี่ยนะสิ่งที่เราประกดมันก็คือว่าเราก็จะเจอสภาพแบบเดิมๆโดย<ช>ที่ว่า มาตอนเช้าก็เจอเพื่อนร่วมงานแบบเดิมเจอเจ้านายเหมือนเดิมแล้วก็เจอบรรยากาศทำงานที่มันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือความสงบที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็วิธีการที่เราเพิ่งไปได้รับมานี่นะเราต้องเอามาใช้นะเอามาใช้แน่นอนแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยก็บางคนก็เป็นคนดีบางคนก็มีศีลบางคนก็ไม่มีศีล บางคนมีศีลเราอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจมากขึ้นกว่าเดิมแต่บางคนที่ศีลเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเราอยู่ด้วยเราก็กระเทือนกระเทืนใจพูดง่ายๆก็คือเขาก็อาจจะพูดก็ดีทําก็ดีในสิ่งที่มันไม่เป็นไปเพื่อความสงบของใจใจเราก็กระทบกระเทือนแ น, น่นอนเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ ต้องนำสิ่งที่เราไปซ้อมมามาใช้ในสนามจริงให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะเพราะ่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนโยมก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือเราก็ก็เจอเรื่องขนาดเท่าๆเดิมนั่นแหละแต่ว่าพอไปผ่านการปฏิบัติมาหลายๆครั้งเข้าทําไมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมันหนักขึ้นแต่จริงๆแล้นคือมันเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกหนักขึ้นเพราะว่าเรามีความอยาก ความอยากให้ใจมันไปสงบเหมือนที่เราปฏิบัติธรรมใช่ะเพราะนั้นมันก็เลยจากการที่มันเท่าเดิมนั่นแหละมันก็เลยดูเหมือนมากขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าเราไปแบกความอยากขึ้นมาอีกเป็นส่วนเกินนะ่ะนะส่วนเกินส่วนต่างมันก็ทำให้ของที่มันดูหนักเท่าเดิมกลายเป็นดูหนักมากขึ้นแล้วทีนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยของการปฏิบัติธรรมอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนนะเพื่อนเราเนี่ยคนรอบข้างเราเนี่ยสาคัญมาก เราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการคนรอบข้างเราด้วยนะหมายความว่าเราจะอยู่ให้มันดีปฏิบัติธรรมได้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนที่หนึ่งมีศีลเสมอกันแล้วก็มีการที่ว่ามีทิฐิเสมอกันเป็นต้นนะทีนี้ถ้าถ้าศีลไม่เสมอกันเป็นไงล่ะอาเพื่อนเราเนี่ยเราบอกว่าอเราไม่ดื่มของมึนเมานะอะเขาก็ชวนเราไปเป็นต้นอย่างเงี้ย มันก็อยู่นานๆเานก็ชวนชวนไปเราไม่ไปแล้ ว, ลวก็โดนเขาเน็บแนมบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเ อ, อึดอัดแน่นอนว่าถ้าเพื่อนเราไม่ไปเราก็ไม่ไปเห็นเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยโอยมันอยู่กันสบายขึ้นมันคบกันง่ายขึ้นนะเจ้าคะ่ะใช่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามพระอาจารย์ซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากอยากได้ยินเรื่องนี้นะก็คือเรื่องอป่วยกาย แต่อย่าให้ไปถึงจิตที่พระอาจารย์เคยสอนโยมนะเจ้าคะก็คือว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยชั่วโมงอธิษฐานเขาให้นั่งหนึ่งชั่วโมงนะโดยที่ไม่ขยับเลยแม้มันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินทำไมมันเจ็บขนาดนี้แล้วก็ทำให้เรายุกยิกยุกยิ ก, ยกไม่มีสมาธิแล้วก็นั่งไม่ได้ด้วยเพราะว่า อย่างเงี้ยที่อาจะรยบอกว่ามันมันแสดงว่ามันไปถึงใจเราแล้วล่ะเราไม่เรานั่งนิ่งอยู่ไม่ได้ถูกต้องแล้วทํำยังไงถ้ามันจะไม่ให้มันไปถึงใจมันจะมีเกราะอะไรที่มันสามารถป้องกันได้ล่ะเจ้าคะถ้าคนเคยอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็จะมีทั้งทั้งแนวที่ว่าหนึ่งเราก็ไม่ใส่ใจสองอะไรที่มาเป็นปัญหาเราก็เข้าไปดูมันตรงไหนปวดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนนะ อย่างบางคลที่เป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งเป็นคนที่กล้าลุยกล้าสู้กับปัญหาไงนะก็เข้าไปพิจารณาได้อะไรเป็นตัวปวดกันแน่อะไรที่มันทําให้เราปวดแล้วอะไรปวดปวดใจเหรอหรือว่าขาปวดขาปวดจริงหรือหรือว่าปวดที่กระดูกตรงไหนกระดูกกระดูกมันปวดจริงเหรอแล้วตอนที่ว่ามันเลิกปวดเนี่ยทำไมปวดมันหายแล้วกระดูกแล้วมันหายมันไม่หายไปด้วยถ้าปวดกับตัวกระดูกมันอันเดียวกัน นี่เป็นต้นนะ <_ T> แต่การที่เราเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยคนที่มันไม่เข้มแข็งจริงๆใจไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยโวยมันก็ปวดใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันแต่อีกวิธีหนึ่งอ่ะที่เราทําได้ก็คือว่าเราก็ไม่ใส่ใจมันหมายความว่าอ่าเราก็ทําเหมือนเราเร า, เราดูลมปกตินี่แหละก็คือว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ลมเราก็ไม่ใส่ใจมันทําอยู่อย่างนี้แหละเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรามีความชำนาญนะแ้แ้มันก็ซุ่มไม่ไหวหรอก แต่พอเราทําแล้วเราจิตใจสงบมากขึ้นแล้วเราก็รู้จังหวะจักรของจิตเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะวางอารมณ์ของเราเนี่ยได้ดีขึ้นว่าตอนนี้เราตั้งมั่นอยู่กับลมแล้วตัวปวดมันก็เห็นอยู่แต่เราไม่ส่งจิตลงไปหามันจิตเราก็อยู่ที่ลมนี่นแหละแล้วการที่จะให้มันไปเห็นตัวปวดบ่อยๆแล้วเราก็าไม่ไม่ไม่ส่งมันไป เราก็อยู่กับที่ลมให้มันตั้งมันมากขึ้นอย่างนี้นะถ้าเรายังส่งไปหาตัวปวดอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตัวปวดมันก็วิ่งจี๊ดเข้ามาที่ใจเราใจเราก็ปวดไปด้วยแลแ้วมันก็จะงุดหิดมันจะขยับมันจะนั่งไม่ได้มันจะทนไม่ไหวใช่ทีนี้เราก็จะเห็นว่าการที่เราคิดก็ดีการที่เราเ อ, อมีความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากการที่ใจเราไม่สบายนี่แหละแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่า การที่ใจเรามันก็อักกระวนนะห่วหเห็นตัวปวดแล้วมันก็ใจเราก็ฟุ้งซ่านเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็จากตรงนี้ทําให้เราเริ่มคิดและคิดโน้นคิดนี่เราจะทํายังไงเราจะทายังไงดีเราจะพิจารณาอย่างนี้ดีไหมเพื่อให้อ่ามันหายปวดจริงๆแล้วไม่ต้องทําอะไรก็ได้เราแค่กลับมาดูลมแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไม่ใส่ใจมันแล้วก็มาเข้มข้นที่ลมของเราเนี่ยแหละทีนี้มันก็จะมีจังหวะที่ว่าปวดก็ส่วนหนึ่งตั้งหา จิตเราความรู้ก็ส่วนหนึ่งต่างหากสติเราก็เห็นอยู่ว่ามันสองอันไม่เกี่ยวข้องกันที น, นี้มันก็จะพอไปได้ลวปวดก็ปวดไปปวดก็ปวดไปใจเราก็ยังสบายอยู่ได้อันนี้คือปวดเนี่ยมันแยกออกไปจากใจแล้วมันเข้าไม่ถึงใจเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าสมาธิมันข้ข้นนะ่ะมันถึงจะ แยกปวดกับใจได้นะก็ต้องทําให้ชํานาญไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถภาวนาใหม่ๆแล้วทำได้เลยมันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องทําจนชํานาญน่ะนะทำจนเรารู้ว่าเราจะวางจิตของเราอย่างนี้ดีวางอารมณ์ของใจเราอย่างนี้ดีพอเราตั้งตรงนี้ได้มันจึงจะแยกออกจากกันเป็นตน้นเจ้าค่ะเคยมีบางครั้งที่ยมทําได้นะจ๊ะค่ะก็คือนั่งนั่งนิ่งอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ขยับแต่ว่ายอมจะใช้วิธีดูลมแล้วก็แล้วก็ดูที่ที่ เราปวดขาใช่ไห ม, มก็นั่งดูมันที่ปวดขานั่นแหละแล้วมันก็ไม่ปวดก็แปลกมากเจ้าค่ะ ม, มันก็อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอุบายของใครของใครก็แล้วแต่ความถนัดบางคนก็ก็เหมือนย้อมแอดที่ว่าเราเข้าไปดูมันปวดตรงไหนอะไรยังไงทีนี้จิตมันสงบได้ตัวปวดมันก็หายไปของมันเจ้าค่ะ มันทำให้เรานั่งนั่งอยู่ได้โดยที่แบบว่าความปวดนั้นมันไม่กระทบใจแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ได้โดยใจเราไม่หงุดหงิดแล้วมันก็ผ่านไปได้ในหนึ่งชั่วโมงทีนี้มันก็เอามาใช้ในชีวิตประจาวันเราได้ใน ล, ลักษณะนี้แหละก็คือถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยคนที่มันป่วยกายแต่โดยมากแล้วก็ป่วยกายก็ป่วยใจไปด้วยใช่เจ้าค่ะคือเพราะอะไรเพราะว่าธรรมดาคนเราเนี่ย ป่วยปุ๊บเราก็ไปอนุมานถึงความตายนะอนุมานถึงความตายคนเราก็ไม่ชอบความตายแหละเจ้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เลี่ยงไม่พ้นที่เราเจอความตายนะยังไงยังไงคนเราก็ตายนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเราจะตายยังไงต่างหากเราจะตายในแบบที่ใจเรายังเป็นธาตุกิเลสอยู่ยังเป็นธาตุของขันอยู่ยังเป็นธาตุของการที่เราไปยึดไปเกาะมันอยู่ เราจะตายแบบนั้นหรือเราจะตายในแบบที่ขันก็ส่วนขันจิตเราก็ส่วนจิตจิตเรายังสว่างสวยอยู่ได้จิตเรายังอาจหารอยู่ได้จิตเราไม่เป็นทาดของขันได้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเดินทางเส้นไหนนะเพราะนั้นเพราะเราจะเห็นได้ว่ากายมันก็ส่วนหนึ่งต่อให้คนเราเกิดมาสองขวบสามขวบมันก็ตายได้หรือเกิดมา ยังไม่ทันอะไรก็ตายได้ก็มีเพราะงั้นเราหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นหรอกความตายมันเป็นของประจำของคนเกิดอะแต่เราจะตายยังไงให้ใจเราไม่โดนพัฒ น, นาการให้ใจเราไปสุขติหรือถ้าใจให้ดีให้ใจเราหลุดพ้นไปเลยเจ้าค่ะนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างอย่างตัวโยมเนี่ยเป็นโรคไมเกรนเวลาที่มัน ปวดหัวข้างเดียวขึ้นมาเนี่ยโอ้มันทรมานมากแล้วมันก็ทําให้จิตใจเราวุ่นวายเราก็ทำทำงานได้อย่างไม่ปกติเราก็ใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างไม่ปกติก็ต้องยอมรับแต่ว่าก็ก็จะเป็นบางครั้งอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่กําลังของสมาธิใช่ไหมเจ้าคะ่ะคือคนป่วยเนี่ยมันก็ต้องรู้ประมาณตัวเองนะคือคนป่วยอสมมติว่าคนเป็นอมพฤกอมพล่าอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ่ะเจ้าบอกว่า ให้เขาไปทำงานออฟฟิศให้มาเคาะคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้หรอกมันก็ต้องคืออยู่ในสภาพคนป่วยอะ่ะมันก็ต้องรู้ว่าปรมาของตัวเองทำอะไรได้เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งคือใจตั้งหากที่ใจเราไม่ป่วยไปกับร่างกายเราไปด้วยใจเราเนี่ยอาจหานกล้าหารไม่กลัวกับความทุกข์แต่คนป่วยเด็ดดดยมากนะอย่างเช่นคนที่อะไรดีละ่ะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่น อย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งก็ได้ ค, คนเป็นโรคมะเร็งนี่ป่วยใจแน่นอนเลยโดยมากนะแล้วก็จะท้อเหี่ยวมากท้อแท้ไม่รู้จะทำอะไรทาไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่อยากทำนะแต่บางคนที่เขาใจเขาชนะโรคอันนี้ได้เนะี่ยแต่ไม่ใช่ว่าหายป่วยนะใจเขาชนะโรคตัวนี้ได้เนะี่ยเขาก็จะเหมือนคนปกติอนะ่ะเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเราดูยังไงว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติ แน่นอนสิ่งหนึ่งที่มันก็ดูจากการกระทําคําพูดความคิดมาแหละถ้าเรายังไปพูดวนๆถึงปัญหาเหมือนเดิมมันก็กลายเป็นว่าเราก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของโรคอยู่เร า, ายังคิดถึงนู่น ύ, นี่นี่นี่เกี่ยวกับโรคอยู่โดยที่มันมากเกินเหตุนะนะมันก็ทําให้แสดงว่าโรคเนี่ยมันยังครอบงําจิตเราได้อยู่จิตเราเนี่ยโดนโรคมันพันธนาการไว้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จิตเราเนี่ยมันไม่สามารถจะโดนพัฒนาการจากโรคได้ถ้าเราวางไว้มันถูกต้องเพราะว่าจิตกับร่างกายเปนคนละอันกันเพรา ะ, ะนั้นเราต้องอ่าไม่ไม่เผยอะไม่เผอให้ตัวนี้มันมาครอบงำ ม, มีอำนาจเหนือจิตเราแยกจิตเราออกมาให้จิตเรายังอาจหารยังเป็นปกติอยู่ได้สุขภาพจิตของเราเนี่ยยังดีอยู่ได้ มันยากมากเลยเจ้าคะ่ะแต่ว่ายมก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเพราะว่าเป็นต้องเผชิญกับโรคนี้อยเป็นประจําแต่ก็บางครั้งก็ทําได้แต่บางครั้งก็ก็ไม่อาจหารเลยพูดง่ายๆคือเราก็ต้องอพิจารณาร่างกายเราบ่อยๆ อ, ยอะ่ะพิจารณาถึงเราบ่อยๆว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาพอเราเข้าใจว่าความตายมันมีกับเราอยู่ทุกขณะนะ ไม่ว่าดีไม่ดีเราคุยคุยไปแเราอาจจะหัวใจวายตายขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องคำหนึงอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตอนไหนเนี่ยคนเรามันตายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นโรคตายอยู่แล้วนะติดตัวกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเราจะให้ใจเรามันมาคอยเป็นกังวลมาคอยเป็นโอ้ยมันไม่ถูกเพราะความกังวลความอะไรอยงนี้มันเป็นความทุกข์ในใจของเราจิตใจเราเศร้าหมองนะ ตายไปไปทุกตินะเจ้าค่ะเพราะว่าจิตใจเราเศร้าหมองจิตใจเราขุ่นหมัวจิตใจเราไม่เบิกบานผ่องใสความกังวลมันก็เป็นนิวรอนอันหนึ่งเพราะนั้นแน่นอนพอตายพุ๊ขนาดจิตนี้ไปทุกติแน่นอนเราเราต้องคอยมีสติคอยจอดูอยู่เรื่อยๆเนี่ยว่าใจเราเนี่ยเผลอไปอย่างนั้นไหมแต่โดยมากเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเราก็ปล่อยใจเราไปตามอารมณ์อารมณ์ของความป่วยที่มันครอบงาใจเราเนี่ยแหละ มันให้เราเสื่องซึมแล้วใจเราก็ซึ่งซึมไปมันให้ใจเราหดหูใจเราก็หดหูไปแต่เราไม่พลิกใจเราเพราะเราไม่มีสติที่มันจะเออ น, นะมันมาครอบงำใจเรานะเราไม่เห็นว่ามันครอบงำใจเราอยู่นะเป็นตน้นมีอีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะ้ะที่ยยมอยากจะทราบเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องเรียกว่าต้องเผชิญกับ กับภาษาเรื่องความกโกรธเรื่องการกระทบกระทั่งทางจิตใจเนี่ยบ่อยๆในเรื่องของการทำงานที่จะต้องอเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากมพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเกโกรธแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าเราพูดพูดอีกครั้งที่สองก็คือเราเกโกรธแล้วก็กโกรธอีกพูดครั้งที่สามเราก็กโกรธแล้วก็กโกรธอีกอย่างนั้นใช่ไมคะมันมันเร า, าเรารียว่า<น>มันไม่วางมันไม่วางเราถึงยังพูดอยู่ จิตมันไม่วางเนี่ยมันก็คิดไปในเรื่องนั้นมันคนดีใจอ่นะเหมือนสมมุติว่าเราไปแข่งกีฬาเราชนะนะพรุ่งนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่วันมะรืนเราก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่เจอใครเขาอาจจะไม่ได้ดูหรือไม่ได้รับรู้กับเราด้วยแต่เราก็คุยเรื่องนี้เขาฟังเป็นต้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเรามันไปผูกกับตรงนั้นอยู่มันก็เลยทําให้เราคิดก็ดีพูดก็ดีทําก็ดีเนี่ยใน สิ่งที่ใจเราเนี่ยมันไปผูกไว้มันไปยินดีไว้หรือว่ามันไปยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆการที่เราคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเนี่ยมันแน่นอนคือใจเราเนี่ยไปยึดเรื่องนั้นเอาไว้สุดแท้แต่ว่าเรื่องนั้นเน่ยเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะการที่เราคุยธรรมะบ่อยๆเข้าสมาธิบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าใจเราเนี่ยเป็นไปเพื่อ ความสงบเป็นไปเพื่อความวิราคะเนี่ยก็คือความอะไรนะ ค, คลายกำหนักนะเป็นไปเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นต้นเหล่านี้เพราะนั้นถ้าใจเราไปผูกกับสิ่งเหล่านี้ดีแต่ถ้าใจเราไปผูกกับสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้ที่ราคะโทสะโมหะโลภะเจริญอันนี้ไม่ดีก็ต้องคอยสารวจนะว่าเราคิดเนี่ย คิดแบบอะไรคิดคิดแบบไหนคิดเรื่องอะไรดีไหมหรื อ, อไม่ดีเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็ไปพูดเรื่องนี้ด้วยมันก็เป็นสองเด่งนะสองเด่งอย่างเช่นแต่โดยมากเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะไปยึดในอารมณ์ที่มันเป็น3ามตัวนี่แหละไม่ราคะโทส ะ, ะโกรธพระ สามตัวนี้แหละโดยมากเพราะฉะนั้นเราลองสารวจดูว่าใจเราเนี่ยมันเป็นไปในสามแบบนี้ไหมแล้วเราคิดพูดทำเป็นไปในสามแบบนี้ไหมถ้าเป็นไปในสามแบบนี้นะเราก็ต้องมีสติมากขึ้นแล้วก็ยับจั้งใจเรามากขึ้นโดยการที่หนึ่งเริ่มได้โดยการไม่พูดไม่คิดเนี่ยมันจะยากหน่อยแต่เริ่มโดยการที่ไม่พูดก่อน อย่างนี้เราฝึกได้ใช่ไหมเจ้าค่ะฝึกได้ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างเช่น เ, เรารู้ว่าเราเป็นคนขี้บน่นสมมติเราเป็นคนขี้บ่นเนี่ยเราก็ไม่คุยเลยอยากจะคุยเรื่องนี้ใจจะขาดแต่ไม่คุยเพราะเรารู้ว่าถ้าคุยเรื่องเนี้ยคืออาการของคนบ่นนะแต่มันสำคัญคือเรารู้ตัวไหมเราว่าเราเราเป็นแบบนั้นนะ่ะสาคัญมันตรงนี้นะ เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฝังมากรู้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีสองมีคนมาบอกก็คือมีกระยาณมิตรที่ดีคอยมาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเป็นต้นสแสดงว่าในที่ทํางานเนี่ยก็จะเจออย่างนี้อยู่บ่อยๆนะเจ้ค่ะอืมจริงๆไม่เฉพาะที่ทํางานหรอกมันมีทุกที่แหละใช่แต่โดยมากเนี่ยที่ทํางานเราก็จะเจอบ่อยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยก็ต้องทํางาน ก็แต่เช้เช<ง>าเย็นเย็นจะอยู่ในที่ทํางานซะมากกว่าเจ้าค่ะอืมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในการทํางานมันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะแล้วเราก็แน่นอนพอความที่มันมีเรื่องที่ต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันติดใจเราติดใจเราหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องหรือสามเรื่องหรือสี่เรื่องหรือมากๆเรื่องเนยนะมันก็เป็นเรื่องที่มันติดในใจเราเนี่แหละ แต่เรื่องไหนที่มันเด่นกว่าเพื่อนเราก็เอาเอามันออกมาก่อนอย่างเช่นวันนี้เคืองมากโดนจำนายด่าอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็หงุดหงิดพอวางไม่ลงปุ๊บเราเจอใครเราก็จะคุยแต่เรื่องหัวหน้าเราเนี่แหละเราก็จะยังหงุดหงิดอยู่เจ้าค่ะแล้วการที่เราคิดว่าพอเรามีมุมมองว่าการที่เราพูดถึงเรื่องหัวหน้าก็ดีเป็นพูดถึงในแง่มุมไม่ดีของเขาก็ดีเนี่ยมันเป็นการที่ทาให้เราสบายใจขึ้น ถ้าเราไม่มีมุมมองอย่างนี้นะถือว่าเรามีมุมมองที่อ่าเป็นไปเพื่อความไม่พ้นทุกข์นะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นยังไงก็คือว่าอ่าไม่ใส่ใจนะมันไม่ดีมันก็ไม่ดีของเขาเราก็ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราก็ไม่พูดถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงนะเจ้ค่ะเรื่องดีของเขาเราก็เอามาสรรเสริญซะทําได้แค่สองตัวนี้นะชีวิตเราก็สบายขึ้น หมายความว่าเราก็จะมองในมุมมองของคนอื่นดีๆเขาก็มีข้อดีอยู่แล้วก็เรื่องไม่ดีของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเราก็ไม่ออามาติดใจเราไม่เพราะว่าการที่ไม่เอามาพูดเนี่ยหมายความว่าเราก็พยายามไม่ติดใจในเรื่องนั้นๆด้วยใจเราก็จะไม่ไปคล้องในเรื่องไม่ดีของเขาได้บ่อยๆก็เป็นฝึกอุปนิสัยเรานเนี่ยที่ให้เราไม่เป็นคนขี้บ่นด้วยในตัว แล้วก็มองข้อดีของคนอื่นเราก็จะไม่บ่นถึงคนนู้นคนนี้ในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ใจเราก็สบายมากขึ้นนะว่าใช่<ๆ>จ้ะค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นที่การฝึกที่จะไม่พูดแล้วก็ไม่ทำง่ายกว่าเพราะว่าใจคงห้ามยากถ้าจะให้ไม่ให้คิดแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่การฝึกไม่พูดไม่พูดว่าคนอื่นหรือว่าไม่ทำไม่ดีในสิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็ทาให้มันกระทบคนอื่นออกไป ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่ดีๆจะฝึกใจเนี่มันเป็นเรื่องยากแหละ<า>เพราะว่าใจมันมันไม่ใช่เป็นของที่ตาเห็นได้มือจับต้องได้เป็นต้นนะมันไม่เหมือนร่างกายที่เราจะไปเอ็กซ์ไซส์ให้มันแข็งแรงไงก็ได้เนี่ยมันมันลําบากแต่การที่เราจะฝึกใจเนี่ยเราก็เอาปากเราเนี่ยแหละเป็นการฝึกใจเราแล้วก็อเอาร่างกายเราเนี่ยแหละตัวฝึกใจเราหมายความว่าถ้าเราฝึกที่จะ ไม่พูดได้ไม่บ่นใครได้มันก็ไปกระทบถึงใจเหมือนกันใช่เจ้าค่ะใช่เพราะแน่อนอนพอทำได้บ่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็มีอุบายในการที่เราจะวางความรู้สึกที่มันหงุดหงิดได้แน่นอ น, ใ, น, อนใจเราก็จะทีนี้มันจะเริ่มเป็นอุปนิสัยที่ว่าเราก็จะไม่บ่นใครเราก็จะคุยแต่เรื่องดีๆเพราะนั้นการที่เราจะไปวางแผนทํานูน่ทนทํานี่ให้เขารู้สึกเจ็บใจขึ้นมาก็จะไม่มีตอนทีนี้ ทำได้อย่างนี้น ะ, ค, ะค่อยๆทําได้ถ้าทําไปทําไปทําไปเนี่ยชีวิตเราก็จะร่มเหย็นมากขึ้นในส่วนของเราเองทีนี้เราทําได้เราก็ไม่ไปก่อเรื่องวุ่นวายจากการที่เราสมมุติว่าเราหมั่นไส้เพื่อนร่วม ง, งานเราเราไปเน็บให้เจ้านายฟังเราไปล็อบบี้ให้เพื่อนร่วม ง, งานอีกคนนึงอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันได้กลับคืนมาคือว่าความปลองดองความปลองอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเติมเชื้อไม่ดีในองค์กรให้มันมากขึ้น แต่ถ้าทุกคนทุกคนต่างทำอย่างนี้ได้เนี่ยแน่นอนมันก็ทำให้องค์กรมันร่มเย็นมีความสุขมากขึ้นนะค่ะธรรมะสำคัญที่ใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องไม่ดีมาบั่นทอนกำลังใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเนี้ยเชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ๆก็ได้แง่คิดแล้วก็ได้วิธีในการฝึกใจตัวเองอย่างไรให้ฝึกทาอย่างไรเบื้องต้นก็คือไม่พูดแล้วก็ไม่ทาสิ่งที่มันจะ ไปกระทบกับคนอื่นฝึกไปเรื่อยๆเชื่อว่าก็คงจะทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจเราน้อยลงด้วยคือเมื่อกี้เดี๋ยวขมวดนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ดูมันก็เหมือนว่าอะไรที่มันดูเป็นเทคนิคข้มากขึ้นนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปสรุปตรงให้มันง่ายขึ้นแบบที่เราคุ้นหูก็คือเรามีสินห้าที่สมบูรณ์นี่แหละสินห้าสมบูรณ์ก็คือในข้อที่มุษาว่า ไม่โกหกใครเนี่ยจริงๆแนละ้วถ้าเราไปดูในมรคแปเนี่ยก็คือว่าเราไม่พูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดสอดเสียดแล้วก็ไม่คือสิ่งเหล่านี้ที่เราทำได้อันนี้เกี่ยวกับการพูดเจ้าค่ะก็คือเรามีศีลที่สมบูรณ์นี่แหละก็จะทำให้อ่เป็นการฝึกใจเราไปในตัวอยู่แล้วเชื่อว่าคนในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังท่องศีลห้าได้ไม่ครบทุกข้อนะเจ้าค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว แค่ศี่ห้าข้อนี่ก็ยังรักษายากเลยแล้วสังคมจะสงบสุขได้อย่างไรใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผ่านสนามฝึกมาแล้วก็ต้องมาเจอในสนามจริงก็ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจนะคะว่าใช้ความสงบที่ได้มาแล้วก็มาฝึกซ้อมในมาใช้ในในชีวิตจริงให้ได้ก็คงจะทําให้ ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะเจ้าคะต้องพูดอีกแง่นหนึ่งด้วยเจ้าค่ะคือมีความทุกข์น้อยลงอ่ามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะมาให้ความรู้เรื่องธรรมะง่ายๆในรายการธรรมะสบายๆวันนี้ดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทั้งพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมี ความสุขมากขึ้นและก็มีความทุกข์ในใจลดลงสวัสดีค่ะ